คนที่เสเวนาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งชีวิตต้องการผลคือพัน์ไว้สืบต่อตนแต่ชีวิตไม่สามารถทำกิจเพื่อให้เกิดผลนั่นเองได้จำต้องอาศัยคนช่วยทำให้และเพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างดีชีวิตจึงล่อคนด้วยรางวัลคือสุขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายสัมผัสเนื่องด้วยการทากิจนั้นแก่คนจนทาให้การทากิจนั้น มีความหมายแก่ทั้งสองฝ่ายกล่าวคือสำหรับชีวิตกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้พันุ์ไว้สืบต่อตนสำหรับคนกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้เสพสุขเวทนาเมื่อเรื่องเป็นไปถึงขั้นนี้แล้วชีวิตก็ไม่ต้องยากลําบากเพียงแต่รอคอยอยู่เฉยเมื่อคนกระทําตามความต้องการของเขาชีวิตก็พรอยได้รับผลที่ตนต้องการไปด้วย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 คราวนี้เขาพุ่งความสนใจมาอย่างสุขเวทนาที่ชีวิตใช้เป็นรางวัลล่อกเขาแล้วก็ครุ่นคิดหาทางที่จะทำให้สุขเวทนานั้นเข้มข้นแหลมคมหนักหน่วงท่วมท้นยิ่งขึ้นเขาคิดค้นอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมายั่วยุเร่งรว้วโหมกระเพือไฟแห่งตันหาให้มีความร่นรานที่จะเสพเวทนาอย่างแรงกล้ายิ่งขึ้นและจัดสรรปรุงแต่งวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งวิธีการสำหรับ เ, เสพสเวยให้วิจิตผ่าดแผลพิสดารที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่เกิดมีในสถานอบายามุกและแหล่งบำเรอต่างๆในการนี้เขาไม่ได้แยแสหรือให้โอกาสแก่ความต้องการของชีวิตอย่างใดเลยและเขายังได้นำเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ปฏิบัติกับกิจกรรมในการกินอีกด้วยจึงปรากฏเป็นการเสพติดในแบบต่างๆแพร่หลายทั่วไปหมายเหตุเชิงอัด